ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมกำลังนำเสนอประสูตรในมัชฌิมนิกายมูลปัญ น, นาสสืบต่อกันมาโดยลำดับก็มาถึงสูตรที่ถือว่าสำคัญมากคือในมัชฌิมนิกายนั้นที่เรียกว่าสติปัฏฐา น, นสูตร ในทีคณิกาท่านเรียกว่ามาหาสติประฐานสูตรโรยอนาสาระแล้วเป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่าในทีคณิกายจะให้รายละเอียดมากกว่าเก็คล้ายๆกับตัวสติประฐานสูตรจะย่อส่วนลงมานิดหน่อยแต่โดยความก็คือเรื่องของสมาสติ คือการตั้งสติระลึกถึงเรื่องของกายเวทนาจิตธรรมออที่นแนนง่ของความเป็นจริงมันก็หมดคืออย่างที่บอกท่านผู้ฟังเอาไว้ว่าธรรมะทั้งปวงเป็นปริยายเทศนาส่วนมากโดยจะพาะประสูนในส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นปริยายคือทรงแสดงไว้ในยะหนึ่งในยะหนึ่ง แต่ว่าจะมีเป้าหมายอย่างเดียวกันที่พระโบราณอาจารย์ท่านใช้คำว่ามีพระรหัสเป็นยอดเพราะฉะนั้นในในแง่ของภาคสนามคือภาคปฏิบัติทุกประสูนย์แม้แต่ข้อความสั้นๆเพียงบรรทัดสองบรรทัดในภาคปฏิบัติแล้วก็จะเชื่อมโยงถึงกันทั้งหมด แต่ว่าในภาคปริยัติก็ต้องยักย้ายเปลี่ยนแปลงไปตามพื้นฐานของผู้ฟังสติปัฏฐานนั้นสูตรก็มีอยู่หลายสูตรที่ทรงแสดงที่แควนกุรุแควนกุรุก็คือกรุงเบลีในปัจจุบันแต่ว่าเขาบอกว่า ตรงนี้ดีเองก็ย้ายมาห้าเจดครั้งละเป็นตำนองบอกให้ทราบว่าเป็นดินแดนที่มีประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่มากตอนวิธีของพระตักษาจาร์ถ้าจะเ ล, าเล่าย้อนประวัติศาสตร์ไปไกลมากไปถึงยุคของพระเจ้ามันธาธุราชดีเดียว ก็คล้ายๆกับบุตรหลานที่ถ่ายทอดสายเลือดมาก็ทำให้มีพื้นฐานทางศีลธรรมสูงท่านเล่าเล่าไปจนถึงว่าคนที่คุยกันเนี่ยถ้าไม่ประรบสติประฐานแล้วก็ถือว่าประมาทจนถึงขนาดว่านกแขกเต้า ก็จเจริญกรรมฐานจะมีอาการของวิวปัสสนาปรากฏขึ้นภายในจิตทีเดียวแต่เราก็คงจะไม่ไปวิจิตพิสดารอย่างนั้นนะฮะก็จะจะพูดเฉพาะประเด็นประเด็นไปเพราะว่าธรรมะพอถึงจุดหนึ่งเราจะเจอซ้ำถามทําทำไมซ้ำละ่ะมันก็ซ้ำมานะ้มนุษย์มันไม่มีอะไรมาก เ, เรื่องซ้ำซากกซ้ำอยู่เนี่ยอยู่ในนามกับรูปนี่แหละไม่มีไปไหนหรอกทมต้องพวงก็สรุปลงที่จิตดวงเดียวเพียงแต่ว่าเป็นปริยายอย่างที่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยบางช่วงมันก็เป็นนิปริยายเป็นพระธรรมเทศนาที่เกิดขึ้นประเภทที่เรียกว่าอัตชารสยา คือเกิดขึ้นโดยพระทิยาศัยของพระพุทธเจ้าที่มีพระพุทธประสงค์จะทรงแสดง แ, แต่แน่นอนว่าผู้ฟังเนต้องมีพื้นฐานอยู่ด้วยคือถ้าผู้ฟังไม่มีพื้นมันก็พูดอะไรกันไม่รู้เรื่องมันก็มีความเป็นป ร, รัชญาสยาอยู่ด้วยคืออัธยาศัยของบุคคลอื่นอยู่ด้วยก็เป็นใจความว่า หลวงปู่เจ้าประทับอยู่ที่แคว้นกรุเป็นนิคมของชาวกุรุชื่อว่ากามาสธรรมนิคมก็รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมานี่นี่คือโครงสร้างของพระสูตรในตอนต้นท่าจะเล่าในทรรมนองเดียวกันพอถ้าพระสูตรในแนวเนี้ยจะรับสั่งเรียกภิกษุแล้วภิกษุก็จะทูลรับพระพุทธารัมแล้วก็มาประชุมกัน จากนั้นก็รับสังว่าลูกกรพิสูจน์ทั้งหลายทางนี้เป็นทางเอกทีเนี้ยบางทีเนี่ยเราแปลว่าเป็นทางเดียวคือที่จริงมันก็เป็นทางเดียวด้วยกันนั่นแหละคือเราเราเราต้องนึกว่าการเข้าสู่ประตูวันิพานเนี่ยมันก็มาได้จากสี่ทาง เพราะเราจะเห็นว่าธรรมเทศนาจึงบางเรื่องเนี่ยมาจากสายของทุกข์ัต์อย่างเช่นอนัตตลกกนสูตรเนี่ยพระปัญญวิคีมาจากสายของทุกษ์ัตย์เพราะส่งแสดงโดยมีขันห้าเป็นเป็นฐานทีนี้บางบางข้อเนี่ยมาด้วยสมุทัยสัตร์ คือสอนให้การละกิเลสคือการละไปของกิเลสเนี่ยการจะละกิเลสได้มันก็ต้องละโดยกุศลธรรมเมื่อกิเลสมันลดทุกมันก็ลดไปจนถึงกิเลสหมดทุกมันก็หมดมันก็เข้าสู่ประตูปณิพานได้ดังนั้นไวยาพจน์คือคำที่ใช้แทนปณิพานอย่างที่ทรงแสดงไว้ในธรรมจักรวัตนสูตร เป็นการแสดงถึงผลซึ่งเกิดขึ้นจากการละกิเลสแม้แต่ย้ำว่าขีณาศพเกิดแปลว่าผู้มีอาสวะสิ้นแล้วมันก็เป็นผลจากการดับอาสวะก็แสดงว่าทางข้าวก็มาจากสายสมุทัยสัตว์ทีนีสนนะ้ส่วนใหญ่นะฮะส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากจักมรรคสัต์แต่แน่นอนแหละ ไอตัวตัวหลักจริงๆ ก, ก็คือมรรคสัตว์ทีนี้บางทีเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมาจากสายของของเป้าหมายคือปณิพานเช่นว่าเออทรงสอนให้พระโมคค ร, ราชมองโลกนี้เป็นของศูนย์ไอตัวโลกเนี่ยเป็นทุกขัสัตย์ศูนย์นี่เป็นตัวสัจจะเลยเป็นตัวหนัตาตาของธรรมทั้งหลาย ทีนี้การมองได้อย่างนั้นมันก็มองด้วยสัมมาสังกปะสมาธิฐิก็สมาสติสมาวิยมะมันก็ไปหมดอะไนั่นทีนี้พอถอนอตานุทิฏฐิได้อตานุทิฏฐินั้นเป็นสมุทัยสัตว์เมื่อการถอนออกไปได้เครื่องมือในการถอนก็เป็นมรรคสัตว์พอถอนไปได้มันก็กลายเป็นนิโรธสัตว์ในภาคสนามจริงๆ จ, งจึงขยับหมดทั้งสี่อริยสัตว์ เจอจุดเน้นจะอาจจะทุกขสัตว์อาจจะสมุทัยสัตว์อาจจะมรรคสัตว์อาจจะนิโรธสัตว์ก็แล้วแต่ในประสมนี้จะเน้นไปที่ตัวมรรคสัตว์แต่ในขณะเดียวกันพอถึงรายละเอียดเราจะเห็นว่าเออก็มีทั้งทุกขสัตว์ทั้งสมุทัยสัตว์ทั้งมรรคสัต์แล้วก็ทั้งนิโรธสัตว์เพราะพวกนี้เขาเกิดดับด้วยกันแยกจากกันไม่ได้หรอก หมายความว่าเมื่อฝ่ายของทุกขสมุทัยเกิดฝ่ายนิโรธกับมร ก, ก็ต้องลดกำลังลงไปไม่ถึงก็หมดแล้วนะฮะแต่ว่าก็ลดลงไปทีนี้พอฝ่ายมร ก, ก็เพิ่มก็แสด ง, งนิโรธเพิ่มแต่ว่าทุกกับสมุทัยก็ต้องลดพอถึงจุดหนึ่งเป็นพระหันเนี่ยมันก็มีเฉพาะนิโรธกับมรกภายในใจของท่านไม่มีทุกกับสมุทยัย มัราะนั้นคาว่าทางเอกจะต้องมองว่าเนื้อหาของในมาสติปทานทั้งหมดเนี่ยมันครุมธรรมะไว้ทั้งหมดแล้วแต่ถามว่าสูตรอื่นครุไมไหมก็ครุมนะสูตรอื่นก็ครุมเหมือนกันเคยฟังเทปธรรมะของพระอาจารย์กรรมฐานเลยทีเดียวนะฮะสิบห้ามวลนะะบรรยายเรื่องมาสติปทานสุด ท่านพูดไปพูดมาคล้ายๆกับผูษษ้สนามมีเฉพาะหมาสติปัฏฐานสูตรสูตรเดียวแล้วปฏิเสธสูตรอื่นหมดมันไม่ได้นะมันไม่เครารพในพระธรรมนะฮเพราะในภาคสนามอย่างที่บอกเนี่ยวัฏถาตัวเดียวในนาสูตรนิพพานได้เห็นไหมฮะสัทธายาตรติโอกังคนจะข้าม่วงน้ำคือกิเลสได้ด้วยศรัทธา วิริยนะดุกมัดเจติคนร่วงทุกได้เพราะความเพียรแต่ในขณะที่ที่วิริยะอยู่เนะี่ยมันก็มีอยู่ทุกองค์มร์นั่นแหละในความเป็นวิริยะในขณะเดียวกันเมื่อพลังของวิริยะเขาเพิ่มส่วนอื่นก็เพิ่มมร์อีกเจ็ดข้อเขาก็เพิ่มเพิ่มตามไปแล้วก็พุทธสมถยก็ลดลงไปทุ ก, ก็ลดลงไป สติโลกัสมิชาคารสติเป็นธรรมะเครื่องตื่นในโลกเพราะฉะนั้นพระอาราหันต์จึงเรียกว่าสติวิปุละคือมีสติที่สมบูรณ์หรือสมาทิพิกเวภะเวทะสมาหิตโตยถาภูตังปัจจานาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจง n ทำสมาธิให้เกิดเพราะบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิจะรู้เห็นทำความเป็นจริงก็แสดงว่าเรื่องต้นที่สมาธิก็ได้ หรือปัญญายะบริสุทธิ์จติคนจะบริสุทธิ์หมดจดได้ได้ปัญญานอกจากนี้ผ่านใกนการเนี่ยทุกคําเนี่ยหมายถึงนิพพานใกนการเพราะงั้นบางทีเนี่ยเราเราพูดจนเป็นอุปาทานพอกลายเป็นอุปาทานมันก็กลายเป็นศีละพโตะปะทานคือยึดถือมั่นด้วยศีลบัตรและที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือเกิดอคคระวตาต่อธรรมะข้ออื่น เดลือมาธรรมะทุกข้อนี่เป็นพระบาลีพุทธวจนะแล้วก็เป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าเราต้องให้ความเคารพไม่ใช่ว่านึกจะจะเชียร์พระสูตรใดพระสูตรหนึ่งแล้วก็ปฏิเสธพระสูตรอื่นพระสูตรอื่นก็เป็นพระพุทธวจนะยังเคยฟังท่านผู้หนึ่งทั้งเขียนทั้งเทศต์นะเคยฟังแล้วก็ทีหลังก็เราไม่ได้ฟัง ท่นบอกว่าผู้เจ้าสอนเรื่องสุญญาตาเท่านั้นไม่สอนเรื่องอื่นเลยเอ๊พูดขึ้นมาได้ยังไงผู้เจ้าสอนเรื่องสุญญาตาเท่านั้นไม่สอนยอื่นเลยสุญญาตามันเป็นนิพพานไปนะฮะแล้วทิฏฐธรรมในกถะประโยชน์สัมปราชกถาประโยชน์ทําไงแล้วสูตรอื่นล่ะ ฉันส่วนทีแก่เก็บสะสมทรัพย์สมบัติไว้เหมือนกับจอมปลวกจอมปลวกที่สร้างจอมปลวกเมันเป็นการเพิ่มก็แสดงว่าเป็นการพูดต้องการเน้นแต่ลืมไปว่าการเน้นอย่างนี้มันคือไปเศษอย่างอื่นไปเศอย่างอื่นก็หมายความว่าไปเศษคําสอนพระพุทธเจ้าแล้วคําว่าเอกเนี่ย หมายความว่าทางเป็นเอกหรือทางเป็นหนึ่งซึ่งในรายละเอียดแล้วเราจะพบอธรรมมารวบมอยู่หมดแล้วในเนี้ยไม่ใช่ว่าบรรลุได้เฉพาะพระสูตรนี้คือท่านเริ่มอยู่พระสูตรไหนก็นไปเถอะไม่ได้ว่าอะไรแล้วไปพบกันเองแหละมันเป็นเรื่องพัุ น, น์ร้อยสายอย่างที่ยกตัวอย่างไว้แล้วก็บอกว่า เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์ทั้งหลายตีนี้ความบริสุทธิ์เนี่ยธรรมะมันเป็นเครื่องขัดเราเรามองว่าธรรมะนี่เป็นเครื่องขัดเราจิตใจผมก็ขัดเราไปเรื่อยที่ยังอุปมาที่เราเห็นเป็นภาพเนี่ยเหมือนภาชนะทองเหลืองที่มีสนิมเดยต้องขัดขัดแล้วก็ดู หมดสนิมแล้ยางหมดสนิมก็ขัดต่อหมดสนิมก็ขัดต่อหมดสนิมก็ขัดต่อก็ไม่ใช่นิ่งๆมันมันหมดสนิมหรอกก็ขัดไปเรื่อยๆอเพราะแนว ท, ที่ส่งแสดงแบบวิสุทธิ์เนี่ยแต่ ท, ที่จริงก็คือส่งแสดงแบบใจศิขาขยายแต่ที่จริงคืออะเรียมักนั่นแหละจะ แ, แสดงมาลงลงมาโดยลําดับไม่ใช่ คือจะเรียกว่าขึ้นก็ได้นะฮะแต่ว่าเป็นเป็นแสดงแนวลึกหมายความว่าคล้ายๆกับเราส่องแสงสว่างลงข้างล่างแล้วแสงสว่างไปจับอยู่ที่พื้นข้างล่างพึ้นข้างล่างเลยสว่างเป็นการเรียงมาลงลงลงไปตามลำดับเพราะอย่ที่บอกว่ามันอาจจะก้าวไปข้างหน้าตามลำดับมันขึ้นไปข้างบนตามลำดับ หรือบันลงไปข้างล่างตามลาดับทุกอย่างบรรลุจุดหมายปลายทางด้กันเมื่อเราต้องการลงไปข้างล่างเราก็ต้องลงไปตามลาดับเมื่อจะขึ้นไปข้างบนไอ้ลงตามลาดับไม่ได้มันต้องขึ้นไปตามลาดับทีนี้จะไปข้างหน้าเนี่ยจะขึ้นจะลงไม่ได้มันต้องก้าวไปข้างหน้าตามลาดับแต่ว่าทางหมดเนี่ย ทุกทั้ง3วิธุนีถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการด้วยกันแต่การพูดถึงการขัดเกลาจิตให้สะอาดลงไปโดยลําดับกิเลสระดับหยาบกิเลสระดับกลางกิเลสระดับละเอียดเลื่ลงไปเลื่อยลงไปในอะไรในจิตสัญดานของเราอะในจิตเราที่จริงมันมันก็มีกิเลสให้ท่านผู้รายละเอียดมากก็มากกันฮะแต่เอาขนาด3มชั้น กิเลสระดับหยาบเบื้อกว่าวีติกะมักกิเลสกิเลสที่มันล้นล้นออกมาข้างนอกเป็นปัญหาเดรักรรมต่างๆโลภจัดโกรธจัดหลงจัดราคะจัดพวนี้จะแรงบางที่แรงจนจนนึกไม่ถึงแรงจนโราตกใจอะ่ะถ้าทูกฝั่งติดตามข่าวที่จริงก็ไม่เคาได้อ่า น, นส่วนมากฝั่งวิทยุ มตอนวิทยตอนเช้าเราได้ข่าวแล้วเราตกใจวเอ๊ะทันมัธมยาค่ามันแรงขึ้นทำไมโลภะมันแรงขึ้นทำไมโทสะมันแรงขึ้นทำไมโมหะมันแรงขึ้นควรุนแรงที่ภาคใต้สะท้อนใ้เห็นถึงความรุนแรงของโลภะโทสะโมหะหมดทั้งสามข้อเลยอะไรมากอะไรน้อยเนี่ยเกือบจะแยกไม่ออกเลย ทีนี้ถ้าเราติดตามข่าวคราวทางสื่อสารมวลชนก็ไม่ได้หมายความว่าคนส่วนใหญ่แต่ว่าคนส่วนหนึ่งตัวเลขเท่าไหร่เนี่ยไม่มีใครรู้หรอกแต่พฤติกรรมต่างๆที่แสดงออกมาเราเห็นว่า ถ้าธรรมะระดับกัตัญญูกัตเวทีเนี่ยมาลดหย่อนลดหย่อนลงไปมากมีข่าวก็ที่จริงก็ได้ยินมาหลายครั้งแล้วนะแต่ว่าก็ไม่อยากจะพูดต่มันนึกว่าเออปัญหานเหล่านี้ที่จริงน่าจะรับรู้แล้วก็ศึกษาสนีเก และช่วยกันให้สติตักเตือนอย่างน้อยกับคนที่ใกล้ชิดเพื่อช่วยป้องกันเขาคนเหล่านั้นจากนรกแล้วเคยได้ยินข่าวหลานชายคมคืนยายเราได้ข่าวแม่คมคืนลูก่ใหญ่ลูกคมคืนแม่แม่ก็หาวิธี ไปแต่งงานเธอค่าพ่อเลี้ยงแม่เลยต้องสารภาพความจริงว่าที่ต้องแต่งงานเนี่ยเพราะอย่างนี้อย่างนี้ต่อมาเราก็ได้ข่าวลูกข่มคืนแม่แม่ไม่นิ่งเลพ้องแจ้งควางรุ่มขึ้นช้าตกใจเลยปรากฏว่าหลานเหลีนเนี่ย ห้าคนรุมกันข่มขืนย่าทวดย่ากับย่าทวดคือเป็นย่าของคนบางคนเป็นทวดของคนย่าทวดของคนบางค น, งคนเป็นทวดของคนบางคนแล้วพอดูรายละเอียดแล้วก็ตกใจว่าเด็กทั้งห้าคนเนี้ยยมคนเนี้ยเป็นคนเลี้ยงดูมาไปเสพยบายบ้าหรือเมาเหล้าอะไรก็ไม่รู้ แต่ก็ไม่ได้ติดตามข่าวอีกเพราะว่าฟังแล้วหดหูคือเรามองอกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยตอนนี้มันแย่งอำนาจแล้วเกิดอะไรคำเพี้ยนเพียขึ้นมาในวงวิชาการเนี่ยวิชาชีพครูมันโกตายเลยฮะวิชาชีพครูคือถ้าคิดว่าครูคืออาชีพแล้วก็ถือว่าล่มสลายทางจิตวิญญาณของความเป็นครูเลย คือการค่าสอนครูต้องคิดวันนี้คือค่าบูชาครูมันเหมือนกับพระเทศเนี่ยเขาจะถวายหรือไม่ถวายเปนเรื่องของเขาเรามีหน้าที่เทศเทศเลยเขาถวายก็คือเขาบูชากันเทศมากน้อยเป็นเรื่องของเขาเราสมัครใจเลือกทางนี้เราต้องอยู่ให้ได้บันก่นก็ได้ยินคณะตัวรัฐมนตรีพูดเองนะออกรายการอะไรถึงลูกถึงคน สง่ามากคำเหลา น, นี้ไม่รู้ใครคิดขึ้นมาวิชาชีพครูครูไม่ใช่อาชีพนะอย่าคิดว่าเป็นอาชีพเพราะถ้าอาชีพนีมันมุ่งที่จะบริการตัวเองแต่ถ้าภารกิจภารกิจที่เราต้องทำต่อชาติในฐานะข้าราชการข้าราชการเนี่ยมันไม่ใช่อาชีพ มันเป็นค่าของแผ่นดินเป็นอาการอาสาสมัครตัวเองไปเป็นค่าของแผ่นดินแผ่นดินจะดูแลเราเท่าไหร่ก็คือเรื่องของแผ่นดินเราแสดงขนองคุณแผ่นดินเต็มที่เลยภาคภูมิใจสุขใจที่ได้รับใช้แผ่นดินและเห็นว่าลักษณะทางสังคมเนี่ยวิถีชีวิตของคนมันกลุ่มหนึ่งเขาเรียกบริการตนเองเหนือสังคม ในกลุ่มธุรกิจทั้งหลายพวกนี้จะไม่คํานึงอะไรถึงสังคมเท่าไรหรอกแต่ว่ามันก็มีผู้เซสที่ใจบุญเนะี่ยคพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาจะสํานึกคุณของสังคมแล้วเขาจะลงมาบริการสังคมคล้ายๆกับต้นไม้นี่ยจะเริญเติบตโตโดยอาศัยสาภาพแวดล้อมแผ่น ด, ดินไปก่อนพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยตัวเองจะอยู่ เท่าที่จําเป็นต้องอยู่แต่เหลือจากนั้นจะออกดอกออกผลในช่วยเหลือเกื้อกูลแก่สังคมแต่พนาธบินเจ้าเกษฐีนางวิสาขาเมตนาเกษฐีในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็ท่านเริ่มต้นด้วยการบริการตนเองในสังคมและเสร็จแล้วจบลงที่บริการสังคมเหนือตนแต่ชีวิตของรัฐราชการทั้งหมดกับาศาสนาทั้งหมด ต้องมีอุดมการณ์ในการบริการสังคมเหนือตนถ้ายังคิดจะบริการตนเหนือสังคมคิดวันนี้คืออาชีพที่จะต้องสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยแกเราเลิกไปทาํามาค้าขายราชการที่5้าเคยรับสั่งไว้มาตั้งนานแล้วว่าถ้าต้องการมั่งคั่งร่ำรวยต้องไปค้าขายมันไม่ใช่มารับราชการ ทีนี้พอคิดแบบวิชาชีพมันไม่ได้คิดว่าเด็ ก, กจะได้อะไรอะ่ะมันคิดว่าตัวเองจะทํายังไงจะเจริญก้าวหน้าซีพีสูงขึ้นขั้นตอนต่างๆจะสูงขึ้ น, น, น, ตตงงนเงินเดือนโดยเฉพาะเงินเดือนจะสูงขึ้นโดยลองสังเกตว่าตั้งแต่ไปในรูปการศึกษามาเนี่ยปัญหาโยชนแปร่งขึ้นนะกระทรวงศึกษาควรจะทบทวนอย่าไปแย่งอํานาจอะไรอบอรตอทําตัวเองให้ดีก่อนเถอะอย่ามาคิดมาควบคุมทางการศึกษาเลย ลอยให้คนที่หล่อหลนตัวเองขึ้นมาเป็นจิตวิญญาณของผู้อภิบาลมาทํางานเป็นครูกันเอถอะเพราะว่าโครงสร้างเรื่องเนื้อ ง, งานจริงๆเนี่ยมันจะต่างกันเพระจิตวิญญาณของคนที่จะประสบความท้เแ็จในงานเหล่าเนี้นั้นแตกต่างกันโดยลืมอบตอเป็นคนที่เขาเลือกหมุนเวียนกันไปแล้วใครก็ไม่รู้ โดยเฉพาะมีเงินแล้วก็ได้อะส่วนใหญ่แม้แต่ผู้แทนมีเงินยังได้เลยบนบ้านเมืองเราอย่างเลือกตั้งด้วยเงินมันไม่ใช่อยู่ว่าคุณเป็นคนดีหรือไม่ว่าคุณมีเงินเท่าไหร่อันนี้คือปัญหาทางคิดมันเป็นอาการของโลภปลูกหลงะมันเป็นอาการของโลภหลงที่ชัดใครขัดขวางก็โกรธ แสดงแวแสดงว่ามันไม่ใช่ทางวิสุทธิของสัตว์ทั้งหลายเห็นไหมพอเราผ่านด่านชั้นแรกยังไม่ได้เลยวิสุทธิชั้นสีนี่เรายัางผ่านไม่ได้เพราะศีล ว, วิสุทธิท่านก็เริ่มบันไดชั้นแรกที่สีละ ว, วิสุทธิความหมดจดบริสุทธิหมดจดระดับสีมีความละเมียดละไมลึกซึ้งลงไปโดยลำดับ นะอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังนี่ว่าศีลแต่ละข้อเนี่ยที่จริงไม่ได้อยู่เฉพาะเฉพาะข้อแรกเฉพาะว่าปานาที่ปาตาเวรมณีสิขาบัาทังสมาติยาไ ม, ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกมันเป็นบันไดขั้นแรกเฉยๆแล้วก็ไม่ใช่เป็นคําสั่งว่าห้ามหรืออย่าแต่เป็นคําสอนให้คิด พินิจวิจารและตัดสินใ จ, จแสดงเกจจำนวงในการงดเว้นเพราะท่านจึงมีการรัฐนาศีนี่เนาะแ น, น่นอนเป็นรูปแบบที่คิดขึ้นมาทีหลังแต่เราจะเห็นว่าในพระบาลีจริงๆที่เราพบมากก็คือปานาติปาตาเวรมณีหรือปานาติปาตาปฏิเวรโตโคติโดยพื้นฐานทันท่วไปนนนนเนี่ยใช้คำสั้นๆแล้วเนี่ย แต่ว่าเวลาสอนให้ภาคเลือกคิดเนี่ยจะส อ, สอนอีกแบบหนึ่งมันขึ้นต้นเหมือนกันแต่ในสุดจะเดินตัวอย่างง่ายๆเนี่ยคือเรื่องชีวิตเป็นเรื่องใหญ่ะนะพอคนเราได้แก้ปัญหาที่ชีวิตมีความรู้สึกดีต่อชีวิตของคนอื่นได้แล้วน่เงนมันเดินได้หมด เพียงแต่รักคนคนนี้เคารพคนคนนี้ศรัทธาคนคนนี้นับถือคนคนนี้กตัญญูต่อคนคนนีุ้่สัตต์ต่อคนคนนี้คำเดียวเท่านั้นเองอย่างอืนมันเดินได้หมดเราจะไม่ละเมิดทรัพย์สินของเขาไม่ละเมิดคู่ครอ ง, องเขาไม่โกหกหลูกลงเขาไม่แสดงอาการกระทําชี้ขาดความเคารพความเป็นมิตรออนไปหมดอะะมันไปตั้งแถบัน ส่นสีงข้อที่หนึ่งจึงเป็นฐานที่จะพัฒนาจิตคนข้ไปขึ้นไปเพราะก็จะทรงแสแดงเราจะเห็นว่าก็ทรงแสแดงแบบขัดเราเพื่อเกิดเกิดวิสุทธ์เกิดบริสุทธิ์วสตานางวิสุทตยานี่แหละแต่ว่าแยกเดี่ยวขึ้นมาก่อนคือพัฒนาระดับศีแต่อย่าลืมว่าจริงๆเนี่ยมันมีจุดบรรจุ ข, ของมัน เพราะพัฒนาไปเสร็จแล้วมันไม่อยู่ที่สีนะมันอยู่ที่ธรรมะมันอยู่ที่ธรรมะไม่อยู่ที่กิเลสระดับกลางสงบกิเลสระดับละเอียดละเอียดก็อ่อนกําลังลงไปในขณะที่เป็นสีเนี่ยที่จริงกิเลสกลางก็ลดนะฮะ<ม>กิเลสละเอียดก็ลดถห้เราลองนึกดูว่าสมมุติว่าเราเคร่งครัดในศีลข้อปาณาในความคิดที่จะดู ไก่ชนดูมวยชนดูการต่อสู้กันมุนไม่คิดอะไม่สงสารไม่อยากดูก็แสดงว่าใจสงบจากความพยาบาทความเบียดเบียนด้วยแต่จริงตอนนั้นเราเป็นศีลเท่านั้นเองเราสาศีลเท่านั้นเองอันนี้ก็คือก็คือปริยายของธรรมะแล้วก็ทรงสแสดงว่า อริยสาวกในโลกนี้งดเว้นจากปานาทิบาตไม่พกพายสัตวุธเครื่องประหารมีความสำรวมระวังในสัตว์ทั้งหลายตัวนี้เป็นศีลจากนั้นก็เข้าสู่ธรรมะแหละมีความเมตตาไม่ใช่มีิริมีอุตปะก่อนมีิริอุตปะมีความเมตตาเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลาย แล้วจะถึงจุดหนึ่งมีจิตคิดอนุเคราะห์ต่อศาสตร์ต่างหลายแล้วฟังลองสังเกตมันไม่ใช่บริสุทธิ์ระดับสีแล้วบริสุทธิ์ระดับจิตระดับวิถีชีวิตแล้วและในขณะเดยียวกันก็เป็นฐานที่จะนําจิตเข้าสู่การส ง, งบระดับนิวรณ์เพราะอะไรเพราะว่าจิตที่มีความไม่ตายอินดูหรือมีจิตคิดอนุเคราะห์เนี่ยจิตไม่ตายอินดูไปจิตไม่ตากลือ น, นา จิตคิดอนุเคราะห์จิตกรุณาเลยมองเห็นความทุกข์ความเดือดร้อนของคนอื่นต้องการที่จะบรรเทาทุกข์กาจัดทุกข์บัดเป่าความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นแก่คนเรานั้นถึงเรามองดูแต่ว่าสีเนี่ย ท, ทั้งที่มันเป็นข้อดเดียวถามว่าจิตคิดอนุเคราะห์มีจิตคิดอนุเคราะห์ต่อสัตว์ทั้งหลายเนี้ มัน่ า, า ก, ก็ได้ไหมรักทรัพย์เขได้ไหมล่วงเกินคู่ครองก็ได้ไหมโกหกก็ได้ไหมยุโยงให้เกิดความแตกแยกได้ไหมกล่าวคำหยาบเขาได้ไหมผู้จ่าเพื่อเจอกับเขาได้ไหมโลภอยากได้ของก็เขาไหมจิตมันไม่เกิดเพราะจิตมันคุ้มครองไว้ด้วยธรรมะคือความมุ่งอนุเคราะห์ไอ้น้องเบียนเบียนอะไรก มีพูดเบียดเบียนมีท别别ําเบียดเบียนมีท别别ําเบียดเบียนพูดเบียดเบียนแล้วก็คิดเบียดเบียนแต่นี้ไม่ใช่มันจิตคิดกันคราะเพราะจิตอันนี้คราะกับจิตเบียดเบียนมันคนละฟากทะเลกันเลยนะฮะคนละฟากถนกนก็ไม่ใช่คนละฟากแม่น้ำคนละฟั่งแม่น้ํากันเลมันแม้จะเห็นกันแต่ว่าไม่บรรจบ ก, กันเพราะลักษณะของ ธรรมะข้อนี้ยที่พระพุทธเจ้าส่งแสดงว่าเป็นสัตตานังวิสุตติญาณเพื่อความวิสุดิหมดจดของสัตว์ทั้งหลายมันเป็นเป้านะฮะจริงๆก็เป็นเป้าหมายในตอนสุดท้ายเพราะว่ามมดสุดหมดจดจริงๆมันก็ท้งนิพพานทีนี้อาการจะไปได้เนี่ยมันก็แบบขัดอะขัดเกลาไปเรื่อยระดับศีลเขาเรียกว่าศีลวิสุทธ เป็นศีลไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยแก่ตัวเองแล้วก็ไม่เกิดปัญหามานัาทิิฐิขึน้นวินยูชนยกย่องสรรเสริญจิตโน้มน้อมก็หาสมาธิจากนั้นมาก็เป็นจิตสิกขาเป็นจิตวิสุทธ เป็นจิตวิสุทธ์คือความบริสุทธิ์หมดจดของจิตแต่ไม่ใช่ว่ากิเลสหมดนะฮะคือว่าเป็นการสยบกิเลสไว้แล้วก็พูดถึงระดับสมถะทั้งหลายเนี่ยนะพูดระดับสมถะทั้งหลายข้อใดก็ได้แล้วก็ตายไปไปโดยลําดับอีกอะ่ะจากสงบเป็นชั่วขณะสงบเพิ่มขึ้นจนสงบแน่วหน้าอยู่ได้นา น, น, าน แล้วจนบรรลุฌานแล้วก็จนถึงบรรลุญาณตอนนี้ไม่ถึงญาณ น, นะฮะถึงระดับฌานเพราะถ้าระดับญาณมันเป็นทิฏฐิวิสุทธ์ละทีนี้ไอ้ตัวทิฏฐิวิสุทธ์เนี่ยคือความบริสุทธิ์หมดจดของทิฏฐิตามปกติแล้วคนเราความคิดเนี่ยเขาเรียกว่าวิปลาส คือคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงอ่ะมันก็คล้ายๆกับว่าพระอรหันต์มองคนหัวล่อเนี่ยเป็นคนไม่ปกตินะเห็นว่าจิตใจท่านละเมียดละไมมากเป็นคนผิดปกติเพราะฉะนั้นแมในแวดวงของพระเองเนี่ย ก็มีวินัยห้ามส่งเสียงดังนั่งในบ้านหัวเราะเสียงดังนั่งในบ้านนั่ไม่ได้ประปบัตรทุกกฎนะฮะถึงถึงแม in ้จะไม่มากก็เถอะแต่ว่าต้องระมัดระวังต้องรวรวมระวังที่ไ <t> อ้ความคํำว่าพิปรารของพระเนี่ยคือไม่ตรงตามความจริงไอ้ความจริงที่เป็นจริงเนี่ยมันเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่เธอมองอีกอย่างหนึ่ง วิวาลาดมันเลยมีสี่ระดับมีสามระดับนะฮะในเรื่องสียยยยย่เรื่องใหญ่ใหญ่หมดโลกแล้วเหมือนกันตรงนี้หมดโลกแล้วเหมือนกันคือไปมองเห็นสิ่งที่ไม่สวยงามว่าสวยงามถามาอะไรสวยงามในแง่ของโลกมีเยอะที่สวยงามแต่ว่ามีสวยจริงไหมมีงามจริงไหมมันก็ไม่จริงหรอกมันจิตมันปรุงเอา เราคิดว่าสวยมันก็สวยสำหรับเราเราคิดว่าอร่อยอร่อยสำหรับเราเพราะฉะั้นจริงๆแล้วรูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรส อ, อร่อยสัมผัสน้าจะต้องไม่มีอยู่โดยธรรมชาติของมันนันเกิดจากจิตที่ปรุงคิดคิดปรุงเอากาหนดเอาเราก็ว่าอร่อยเราก็ว่าของในขณะที่คนหนึ่งก็ว่าเหม็นเนี่ยคือเราสังเกตอะ เราจะเห็นจริงๆเอ๊ะมันไม่มีจริงอ่ะแต่มันอยู่ที่เราชอบอ่ะถ้าเราชอบเราก็ว่าดีเราไม่ชอบเราก็ว่าไม่ดีแต่สิ่งนี้เขาก็เป็นอย่างที่เขาเป็นแต่เราคิดเองเราปรุงคิดคิดปรุงเองในในขณะที่เราบอกเราไม่ชอบเนี่ยมันมีคนก็ชอบ นะเช่นว่าลูกของคนบางคนเราไม่ชอบแต่พ่อแม่เขาชอบอ่คุณจะว่าไงพี่เขาชอบน้องก็ชอบคุณจะว่าไงมันไม่ใช่ว่าถ้าเราไม่ชอบแล้วทุกคนต้องไม่ชอบก็แสดงว่าความไม่ชอบมันอยู่ที่เรามันไม่จะอยู่ที่เขาเราคิดไม่ชอบมันก็ไม่ชอบแล้วคนคนนั้นะคนที่เราไม่ชอบเนี่ยวันดีคืนดีเราเกิดชอบขึ้นมา ก็ถามว่าคนชอบหมดไหมก็ไม่มันไม่มีหรอกคนนี่ชอบหมดหรือมันไม่มีพระพุทธเจ้าคนยังไม่ชอบหมดแต่จะเอาอะไรเพรา ะ, ะแสดงให้เห็นว่าความสวยงามจริงๆเนี่ยมันไม่มีแต่ทีนี้ใจเราก็กำหนดก็ปรุงแต่งอย่างในปัจจุบนนันในปรุงแต่งหน้าดูเลยนะะทั้งรูปทั้งเสียงมันปรุงแต่งได้หมดเลยเนะนี่ยทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งสัมผัสได้ปรุงแต่งได้หมดเลย ก็ อ, อย่าลืมาคำารูปสวยเนี่ยมันเป็นตัวแทนของเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสน่าจะต้องแล้วใจที่รู้สึกบันเทิงใจแต่ตนนัวนี้ท่านใช้คำมารูปสวยเฉยเพราะว่าตามปกติแล้วเราเรียนรู้โลกทางตาตาหูใจนะะตาหูใจเี็มไปได้ไกลอ่ะแต่ส่วนจบุกลิ้นกายมันไปไม่ไกล คือรับอารมณ์ไม่ไกลมันต้องกระแทกทําให้กระแทกแล้วเนี่ยไม่รู้เรื่องอกลิ่นก็ต้องมากระทบจมูกซะก่อนทีนี้ที่จิงตาหูมึงก็กระแทกเหมือนกันแต่ว่ากระแทกได้ไกลคือเสียงเวเนี่ยข้ามโลกรูปข้ามโลกแล้วแต่เราจะเห็นว่ากลิ่นรสสัมผัสเนี่ยมันยังไงยังไม่ข้ามโลกยังไม่ข้ามโคือโพธิพสัมผัสมันข้ามเลยฮะสัมผัสมันข้าม นี้ไอความรู้สึกวิปลาสเหล่านี้ระดับหนึ่งเขาเรียวกว่าเป็นสัญญาวิปลาสคือการจําหมายที่คลาดเคลื่อนเป็นเรื่องของการเก็บการสะสมอยู่ภายในจิตในสังคมเหล่านั้นเป็นความรู้สึกนึกคิดของคนในที่นั้นและกําหนดว่าสวย ไอ้เช่นแอฟริกานางงามปากเป็ดนางงามมาเลตาลูตรงหน้าโกโรดบางคนแต่เขาสวยนะจะเป็นเทปีเขาก็าสวยของเขานนั้แสดงว่ามันเป็นเรื่องของการจําหมายที่เก็บสะสมเอาไว้แล้วก็มีคนบอกกล่าวยังนึกถึงที่จริงกําลังกําลังจะหาอย่างเงี้ยเขามีกําหนา จ, จะอยากจะให้คนไปหาดูที่ศึกษาพัฒน์เนี่ยเหมือนกัน รู้สกึกกับหนังสือจินดามันนีหนังสืออะไรอะ่ะจดยส ก, กิจหลายๆเล่ม น, นะหนังสือที่เกี่ยวกับเป็นแบบของการแต่งโครงฉันกาบกรต่างๆเนี่ยเคยอ่านเรื่องการชมความงามคือคนไม่ได้คิดอะแต่พอเราคิดคิดว่าเออว่าคนไทยเนี่ยถูกถูกครอบงำความคิด แล้วก็ถ่ายทอดกันมาตั้งนานเลยเกิน ค, ความงามในมิติไทยเป็นความงามของแขกของอินเดียเลยแล้วถ้าเราสมมุติว่าเราเราเป็นจิตรกรนะเราสเก็ดภาพสเก็ดภาพตามที่เขาบรรยายเนี่ยเราก็นึกไม่ออกว่ามันงามยังไงก็แต่ว่าเราเราบรรยายเป็นเป็น ตนแบบของกอเลยจะงามพักเพียงจัน์บุญหลันฉายจะงามเนตดังหนึ่งในตาซายงามสนขนงกลงละไมกันสอนสงเอาเอ า, เอาสาประเด็นนะฮะจะงามพักเพียงจันท์บุญหลันฉายหน้าเหมือนกระดวงจันครุขระนะตะปุ่มตะปำนะแต่คนไม่ได้คิด จะงามเนดังหนึ่งในตาสายพอฟังได้นะฮพอฟังได้ตาเหมือนกับเ น, นื้อสายเนี่ยพอฟังได้งามขานมกลงละไม้กันสอนสูงเนี่ยยังพอฟังไหวนะเพราะมันเขียนเอาได้แต่งามนาสายยนดังกลขอดยมันนึกไม่ออกเลยเจ้ามูกเหมือนก็ขอจะงามโสดังคอสุพรรณหงษ์ คอเหมือนกับห่านมันก็โงงขอยาวหยุดเลยยังนึกถึงนางงามเนี่ยนางงามอะไรกรเลียงขอยาวนี่นะมันก็เกิดคิดมาตั้งแต่ตั้งแต่อ่านนะเราเราก็นึกว่าเออคนคนเราเนี่ยมันมีเยอะที่เราฟังแล้วเราไม่ได้คิดแล้วก็จำกันมานี่ว่ากันไปเพลินเลย เรานึกดูว่าหนังสือเล่มนี้เป็นร้อยร้อยปีมาแล้วนะมันไม่ใช่เล่นน่ะแต่เราก็ยังปรากฏในวันอันคดตีต่างๆเวลาพูดถึงความงามเขานางเอกแล้วก็จะไปก็ p กี่ความคิดของอินเดียมานะฮะนั้นก็เห็นว่ามันมันเป็นลักษณะจำหมายจำหมายจนกลายเป็นอุปท า, าน รีะระดับหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าจิตตะวิปลาศคือมันคิดคิดจนคลาดเคลื่อนคิดจนจนจนิปริตจนคลาดเคลื่อนแต่ความจริงทำให้เราเห็นว่าพอเกิดปรุงกับจินตนาการเนี่ยมันคล้ายคล้ายกับอะไรล่ะทศกนันมีอยู่สองคราว คราวหนึ่งที่ตอนนางส ม, มาขามาอธิบายความงามของนางสีดาเนี่ยแกจินตนาการตามมันแกครืบเคริ่องเลยกี่อินมากเข้ามาสวมกอดนางส ม, มาขานึกว่านางสีดาเครม่นะเครื่ขนาดนั้นในทศ ก, กาณฐนี้เครืมง่ายด้วยอายุตั้งสองพันเนี่ยแต่ตอนนางเปลี่ยายกายแปลงกายเป็นนางสีดานะ ทศการก็เคลิ้เหมือนกันแต่ตั้งแต่ต เ, อเองสั่งให้หลานสาวแปลงกายเป็นนางสีดาเองเคลิมลงประกอดหลานสาวนึกว่านางสีดาเลยต้อตงขอโทษเด่นนะลักษณะจิตมันไม่ปราลาดจิตมันไม่ประลา ด, ลาดคือมันมันคิดคิดจนเตลิดอ่ะคิดจนเพ้อเจอไปเลยพระภัยมั น, นีลงรูปนางละเวง เจ้ากรุงละมานหลงนางละเวงอะไรต่อไรเนี่ยคือคื อ, คอมันก็สะท้อนภาพไปเห็นว่ามนุษย์เนี่ยจิตวิปลาสมันเยอะทีนี้แรงตรงนี้แรงก็พูดถึงทิฏฐิหลเพราะต้องการทิฏฐิมันที่สุดมันทิฏฐิมันวิปลาสปักใจฝังใจนะฮะปัจจัยฝังใจลงไปก็อย่างที่เคยเล่าเรื่องเรื่องนางสิฎิมานะ เราเหรนว่าภิกษุรูปนี้ท่านปากใจฝังใ จ, งใจวนานสิริมันงามไม่รู้จะว่ายัางไงเลยฝันจินตนาการเสบันเจิดเลยณที่มาแก่แล้วตอนนั้นน่ะแล้วก็ป่วยด้วยตอนเธอมารับบินธ บ, บาทเพราะเธอสร้างมาจนเป็นทิฏฐุประทานอุปทานก็ทิจฉิมันสวยนางป่วยจนขนาดมีคนประคองมาตักบาท ท่านท่านคิดอีกเรื่องหนึงเลยคิดเป็นความงามสวยงามจะต้องได้นางสิริมามาครอบครองให้ได้ตเลิดเข้าป่าเลยไปถึงก็นอนสม้มไม่เป็นนั่นกินนั่งนอนเลยข้าวปลาอาหารก็ไม่ฉันนอนคลุมโปงนลยต้องสึกไปต้องได้ครอบครองนางสิริมาจนนางสิริมาตายผู้เจ้าต้องทิ้งศพให้ปล่อยทิ้งศพนางสิริมาเอาไว้เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์สอนพระลูกเนี่ย ถอนร่านาลูกสอนคือความโศกซึ่งเกิดขึ้นจากความเห็นที่วิปลาสัองท่านจิตท่านวิปลาสเพราะเราเห็นว่าไอ้ปัปญหาเรื่องทิฏฐิวิปลาสนี่เป็นเป็นเรื่องใหญ่สรุปปัญหาวิปลาสเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเราไม่พยายามที่จะทาความเข้าใจในสิ่งเหล่านั้นตามความเป็นจริงอย่างที่ก็เป็นเนี่ยปัญหามันก็ตามขึ้นอย่างที่ยกไวในตอนตอน้น ดังนั้นการการที่ที่เห็นมิปรารมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องเดียวนะที่มันมีสี่คือเรื่องสิ่งที่ไม่เที่ยงเนี่ยเราเห็นอยู่เรารู้อยู่ว่าไม่มีอะไรเที่ยงแต่เราก็ทําใจไม่ได้หัวญาติตายที่น้องตายของหายอะไรแต่โอ้ยมันจะเป็นจะตายเอาให้ได้มันธรรมดาแท้เลยนะคร คือคนเกิดมาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเนี่ยเป็นเรื่องพิกลแล้วแปลกแล้วแล้วในรายละเอียดจริ ง, รงๆเราก็ไม่เอานะฮะแต่เราเกิดมาแล้วเราไม่แก่เลยเราไม่เจ็บเลยเราไม่ตายเลยก็ก็มาอยู่อย่างไงอะ่ะเกิดแววมาถึงมัก็อยู่เท่าเดิมพืนที่จริงแล้วเนี่ยมันมันเป็นลักษณะเงื่อนไหลอย่างที่บอก แต่เพราะว่าคนมองเห็นในสิ่งที่มันมันก็เรียกมีสันติคือไหลต่อกันมาไหลต่อกันมาเรื่อยๆคล้ายๆกระแสน้าเราเห็นว่าเป็นกระแสน้าปกติที่จริงไม่ใช่มนไหลยอยู่ตลอดเพฉะนั้นจริงสังขารไม่เที่ยงอยู่ทุกขกันเนี่ยแต่เราจำหมายว่าเที่ยงหรือเราคิดว่าเที่ยงหรือเราเห็นว่าเที่ยงไอเห็นว่าเที่ยงเรายุ่งเลยเจ้าฝังตะลคร เสียงธรามจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่ทุนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูรณนธรรมยังมีงแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทัว ก, กันสวัสดี